ถ้ญญาคุณบรรยายอีกบรรพระทิเทศไปแล้วยังมีอาการคับแค่สั่นอยู่การระลึกถึงพุทธคุณเป็นการระลึกถึงผู้ที่ท่านวิเศษสูงสุดคือพระพุทธเจ้าผู้ที่ตั้งศานสานา เราละลึกถึงคุณของพระองค์ก็เป็นนั้นว่าระลึกถึงคุณพระธรรมพระสงค์ไปพร้อมกันพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่อะเรื่องเป็นของละเอียดเราพากันเข้าใจพระพุทธอันหนึ่งพระธรรมอันหนึ่งพระสงฆ์อันหนึ่งถ้าหากไม่ พิจารณาให้ทีท่วนดดกความแยกคายก็จะไม่เห็นพระพุทธธรรมประสงค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแท้จริงพระพุทธธรรมประสงค์แล้วขอพาท่นกล่าวกันอยู่ทุกวันคือวัอนพะสมุนทาเย็นไม่น่าจะเอามาพูดหรือมาแสดงอีกต่อไปแต่ความเป็นจริงนั้น หาได้เป็นเขนั้นไม่ที่จะต้องมาบรรยายาอยู่ตลอดเวลาก็ด้วยเหตุที่ว่าเราก่าวได้เพียงเปล่งวาจาออกมาแต่ไม่ได้เข้าถึงจิตใจไม่เข้าถึงคุณพัฒนาตรายยังแท้จริงที่ท่านให้ระลึกถึงคุณพัฒนาตราย ช่วยพุทธธรรมระสบน์ในนั้นมันเป็นอนุสติเป็นกรร ม, มฐานอันหนึ่งซึ่งจะทําให้จิตใจของเราสงบอบวมจิตใาเราเป็นสมาธิและงาบเจ้าซึ่งความหม่นหมองคือกองที่เลสต่างๆ ให้สงบระงับไปได้ไม่ใช่เป็นของต่ําตื้นแล้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราเห็นเป็นของต่ำตื้นและไม่มีประโยชน์เพราะปัญญาของเราไม่ถึงคุณของท่านเพราะฉะนั้นจึงจะต้องพูดอีกและจะต้องพูดส้ำๆซากๆกันถึงคุณพระไตร ในไหนเราเป็นพุทธษาสนิกชนคือผู้ที่นับถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นพรรณะอยู่แล้วผู้ที่เป็นพรณะคือพระุทธธรรมประสงค์นั้นถ้าหากเราไม่รู้จักค้นของท่านโดยแท้จริงทราบถึงถึงจิตใจใ แ, ทแท้แท้จริงแล้วนั้นจะยากที่จะ รับเอาคุณพระัฒนาไตรนั้นมาไว้ในตัวตนของเราได้พุทธศาสนาไตรชนทำไมยังต้องไปถือศาสนาต่างๆทั้งทั้งที่เราเกิดขึ้นมาในล่มเงาของพุทธศาสนาในพระุบุขอเราก็ถือพุทธศาสนามานำเนานแต่ทำไมยึงต้องหากันเปลี่ยนจิตใจ เป็นัถือศาสนาอื่นอย่างนี้เป็นต้นปัญหาเป็นสิ่งที่ควรคิดนึกเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ก็ด้วยเหตุที่ว่าถือไม่มั่นใจไม่ยั่งถึงคุณพระณาชาใัยอย่างแท้จริงคือความเชื่อมั่นยังไ่เต็มที่นั้นอาจจะมีคนอื่นชักจูงละ หมุนกลับไปได้ผู้ที่นับถือคุณพัฒนาไตรทราบซึ่งเขาถึงจิตใจนักแน่นมั่นคงแล้วนะัไม่มีใครหรอกจะหมุนให้กลับไปทั้งอื่นหมุนจิตใจใกลับไปถือจากรอื่นได้นี่แหละจริงจำเป็นจะต้องพูดคำพันธสตรคือเพื่อให้เข้าใจ เราถึงคุณพระรัตนใจก็ถือให้มันจริงให้มันทราบซึ่งถึงจิตใจจริงๆจริงจะเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองเรื่องถือคุณพระรัตนใจให้ทราบซึ่งถึงจิตใจของตนนั้นไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของคนอื่นแท้ที่จริงก็เป็นประโยชน์ของตนเองนั่นแหละ ดังเราเคยได้ทราบประวัติหรือได้ทราบทั้งเรื่องนิทานต่างๆแรงพระพุทธเจ้าของเรายัางทรงไปชดอยู่มีคนได้ฟังเทศธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดระะักษาเทิดท่าเรื่องใส่ปฏิญญาจนถึงวระตื่นรทยขอเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตชีวา โดยที่มันมีการบังคับนับถือโดยการเรื่องใส่ใจจริงประกาศตนเป็นอุบาศัอุบายิกาคือนับถือพุทธศาสนาตลอดชีวิตผู้ที่นับถือจริงจังอย่างนั้นแล้วไม่มีใครแ บ, บจะมามูนกลับคือเปลี่ยนจิตใจให้ไปหลงไหลถือ น, นับถือาศาสนาอื่น ผู้ที่ตั้งมั่นอยู่เช่นนั้นจิตใจจะต้องเป็นพุทธมามุกกะคืนเป็นพุทธสาวนิกชน อ, อย่างแท้จริงความชั่วต่างๆที่เคยปพฤตดปฏิบัติมาแต่ก่อนเกา่าสามารถลดละหรือให้หมดสิ้นไปได้โดยการมาเห็นมาถึงพระตนไตรัย อันนั้นเรียกว่าเป็นคุณประโยชน์แก่ตนที่นถือเปิดพระนรนิจไรนี่แหละจึงอยากจะย้ำแล้วย้ำเล่าให้เข้าใจเรืงคุณพระาราชนิจไเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนมีความมุ่งหมายในตอนนี้กานที่จะถึงพระารานิจไรก็ต้องให้รู้จากคุณของพระาราชนิจไรเสียก่อน จะพูดถึงเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นจงพากันจดจำกำหนดใจไว้ให้ดีว่าคุณของพระพุทธเจ้านะั้นมันทราบซึ้งถึงจิตใจของเราได้อย่างไรและเป็นประโยชน์แก่เราได้อย่างไรพระพุทธเจ้ามีคุณเป็นอนเนก ที่เราพากันกราบไหวและประนามเพื่อก่าวถึงพระคุณของพระองค์อยู่ทุกวันที่เรียกว่าธรรมชาวเย็นมีถึงบทพระคุณมีถึงเก้าปฏาก า, าริาอรหังบทหนึ่งสัมมาสัมพุทโธอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสบทหนึ่ง มาสามพุทโธเป็นผู้แต่สรูเองบทที่สองวิชาจรณะสามปันโนเป็นบทเป็นผู้มีวิชาและเจรณนะคือหมายความมีความรู้ความฉลาดเกียรแหลมและกับความคิสมกับความรู้ความเกียรตแหลมทั้งตนอาจจะพูดเรื่องเจรณะจะมีอีกมากมาย อาจจะพูดถึงวิชากกวงขวัญแต่โดยสรุปใจควมรวมแล้วว่าท่านมีความรู้สาระฉลาดสามารถรักษาตนคือชำนาญชีเลสภายในท้องพระองค์ให้หมดชิ้นไปแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติในแนวความรู้นั้นผู้ดี้งหนึ่งเรียกว่ารู้อย่างไรปฏิบัติอย่างนั้น เห็นชัดเห็นจริงอย่างไรแล้วก็ละถอนทิ้งอย่างนั้นรักษาระดับอันไ้ในเสื่สุดนี่เป็นข้อที่สามข้อที่สี่สุขเตาเป็นผู้ไปดีคาว่าไปดีไม่ใช่ไปอะไรหรอกหมายความว่าเสด็จไปในทางไหนเป็นประโยชน์ในทางนั้นเช่นจะไป เหนือรองใกล้ไม่ได้ไปเสียประโยชน์พระองค์ไปก็มีสติรอบขอบสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ไปเพื่อจักสมกิเลสผู้ที่เห็นแล้วผู้ดีเจ้าแล้วก็เข้าสมาคมคือคบค้าสมาคมได้สดับตับกังธรรมเจศนาเกิดปัจจาระตะขาเริ่มใส่ตั้งใจปฏิบัติตนตางทาทั้งสองผูดเจ้าเป็นประโยชน์แกต่ตน จึงว่าไปดีไม่ใช่ไปรักสออโกงขโมยหรือไปอรารวาสเพราะทุ่มเฉียงคนใดคนหนึ่งจงเรียกว่าไปดีที่ว่าไปอยู่ในที่นี้โลกวีทูพระองค์รู้แจง้งถึงโลกทั้งสามคือมนุษย์โลกเทวโลกอมรโลกถ้าว่ารู้แจ้งในที่นี้คือว่าพระองค์ได้เห็นชัดเห็นจริงมดทุกสิ่งทุกอย่าง โลกทั้งสามนี้ไม่ได้ติดของโกลพันเห็นชัดตามเป็นจริงไม่ใช่เห็นแล้วจะติดความรู้อของพระองค์พระองค์ไปเห็นน่ะรู้แจ้งโลกนะั่ะไม่ใช่รู้แจ้งแล้วไปติดเหมือนกับสมัยทุกวันนี้เขาสํารวจดูโลกพระทิตดพระจารย์ทร์ผ่านแล้วไปกลัวผ่านในเรื่องโลกทั้งหลายมัวเมาในเรื่องโลกทั้งหลายนั่นไม่ใช่อย่างนั้นผู้รองรู้แจ้งนั้นรู้แจ้งเห็นจริง ว่าโลกมันเป็นอยู่อย่างไรเป็นมาอย่างไรและมันจะเป็นไปโดยประการใดเห็นชัดแล้วถอนไม่ได้เข้าไปพักพันในเรื่องโลกทั้งสังนั้นจริงเรงว่าโลกเกาวีทุกมีคำพิษอย่างหนึ่งที่โบราณท่านเคยพูดกันอยู่เสมอว่าถ้าพืดอเจ้าเรียบโล ก, กคือด้วย ไปเที่ยวเรียบรลาะมดโลกทั้งสามตลอดหมดแท้จริงไม่ใช่อย่างนั้นอนยุของพระเถรองสมัยืนนานะไรนกะแต่ตะทะรู้มาแล้วก็ได้สี่ห้าปีที่ไหนจะไปเที่ยวละโลกเรียบโลกจนตลอดหลอดฝั่งไม่มีหรอกคือเอาความรู้นี่แหละไปรู้รอบมดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจมาทุกสิ่งทุกประการ ในตึงน้งโลกเนสามเดียวกว่าเที่ยวเรียบหลอกเ ล, ลาะโลกนีวโรก็จึงเรียกว่าโรกกวิทูอนุตตรโรปุริสามธมรสศาลัทธิสัทธเทมุสนาพุฑมเป็นลัทธิสัทธะเทมุตนาหังเป็นผู้ทรมานซึ่งมนุษย ทั้งหลายทั้งทุกชั้นทุกภูมิคนตําต้อยก็ประมาณได้ด้วยธรรมะคนท่านกลางและคนมีวิชาความรู้สูงสุดพ้องหาวิธีประมาณอย่างนิ่มนวลไม่ได้ใช้อายาบังคับแต่ชักชวนด้วยธรรมะแสดงเหตุผลให้เห็นด้วยตนเองจนยอมละความชั่วของตน เข้าบอกปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นคนดีขึ้นมามีบุริษาธรรมศาร์จิสศรัทาบุริษาธรธรมศาสรจิสศรัทาเป็นครูเป็นอาจารย์ของมนุษย์ตลอดเพ่งเทพพระบุตรเทวดาอินพรหมพระองค์ก่อสร้างสอนได้ทั่วตลอดหมดพุทธโพ จึงเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้มีความพัไทยเบิกบานไม่เศร้าหมองกผู้กันตามภาษาบ้านเราเ้าเรียกว่าจิตใจผ่องใสยิ้มแย้มเตี่ยนใส่ตลอดการเวลาเพราะที่เลศสันดาปเขาบอกไม่มีมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของทะลุรู ป, ปอง่งหมดแล้วไม่ติดไม่ฟัวพันอันนี้จริงเรียกว่า พูดโธผู้บุตว่าพระขวารเป็นผู้แจกเพื่อแจกทำคำสอนของพระองค์ที่เดชสัจโรนั้นไม่ได้ของแห่งแก่เหล่ามนุษย์เทเวดาอินพรหมให้ทั่วถึงกันว่าเท่าที่สามารถผู้รับจะรับได้เหมือนกับพวกเรา พระพุทธเจ้าทั้งแจกมาถึงพระ อ, องค์ไม่มีพระชนทีพอยู่กระตามแต่ธรรมะยังแจกมาถึงพวกเราได้สนนิดได้หน่อยพากันมาลักมาปฏิบัติกระพริบปฏิบัติทมต่างจนได้ความเบิกบานหันสามีจิตทธาตั้งหมัดในพระพุทธศาสนาไม่ถอยหลัง เรียกว่าเราได้ส่วนคือได้ส่วนแบ่งส่วนแจกจากพระองค์ให้นั่นเองถึงพระองค์ไม่ได้ให้ประทานด้วยพระองค์เองแต่มีคนนำสื่อมาคือพระสาวกและครูบาอาจารย์เนี่ยเรียกว่าพุโทโธไอเรียกว่าพระวารีผูแจกจาก่าย ลองคิดดูสิถ้าขุนของพุริเจ้าของเราที่อธิบายมาเนี่ยมีในตัวของเราไหมมีติดมีพันมีอยู่ในตัวของเราบ้างเล็กๆน้อยๆมีไหมอรหังสมาอารหังเป็นผู้ไกลาจากกิเลสคำว่าไากลาจากกิเลสนีนะ่ของเรามาไกลได้ข้่าวานไหน ที่มีอยู่ในตัวของเราเราใกลหรือใกล้เราเป็นผู้เป็นตัวกิเลสทั้งหมดหรือว่าเราห่างไกลาจากกิเลสมาขนาดไหนแล้วเราลู่ใดในตัวของเราถ้าว่ากิเลสในที่นี่นัน้ใครก็พูดได้ทุกคนในตัวกิเลสแท้จริงนัน้มันเป็นอย่างไรแล้วพระองค์ไกลนั้นไกลได้อย่างไรขอให้คิดดูตรงนี้ กิเลสเนมันเป็นอย่างนี้เป็นภาษาแขกไม่ใช่ภาษาบ้านเรากิเลสคือความเศร้าหมองกิเลสคือเครื่องดองในสันดามนมันมักหมมอยู่ในสันดานคําว่าเศร้าหมองนั้นมันเราเห็นได้ย่าแล้วถือความเศร้าห ม, มองเป็นการของเป็นความของใส เขาเห็นเครื่องดองที่มักห ม, มนันเป็นของอร่อยคาว่าเครื่องดองของมักห ม, มนี่นั่นโดยความจริงและเรียกว่าเป็นพิษแต่เราเข้าใจเป็นของอร่อยอร่อยนี่มันเข้าใจผิดเป็นกลมนี้จริงยากที่จะเห็นตัวกิริยาพูดเป็นตัวข่าวนี่ความโลภเกิดขึ้นในใจ ทำให้ทะเยอะทะยานดิ้นโลนอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นได้แล้วก็ไม่พอไม่อิ่มไม่เต็มมีน้อยก็ยางได้มากมีมากก็ยังอยากได้ ม, มากมากยิ่งขึ้นไปในผลที่สุดมันมีอี่มมพอ ม, มีเต็มความอยากทําให้ใจเศร้าหมองคือจิตใจไม่ผ่องใส มีความอยากมันห่มหอ่อให้มืดตือ้อไม่มองเห็นพระรตนะไสรก็เคราะความอยากนี้แหละไม่มองให้คุณควจะ ก, กับเคราะความอยากนี่นะเนั่ยปกปิดห่มห่อไว้แล้วถือเสว่าถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จืดชือดจิตใจของคนเรานะ่ะไม่มีความอยากแล้วจืดชืดนี่จึงว่า เห็นที่เรเครื่องเซลล์มองเป็นของฟองใสถ้าหากเราทะเยอทะยานรีบดิื่นล้นอยากได้น่นอยากอันนี้คนปวยละหมายถ้งมันเบิกบานจิตใจฟองใสอาการทะเยอทะยานคำว่าเครื่องเซลล์มองหรือว่าคำว่าเครื่องหมกเครื่องดองอันมันอยู่ในใจนั่นนั้นดองอยู่ในใจตลอด ก, กลางวานันกลางคืน ยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถคือความอยากมันซึมซาบอยู่ภายในเห็นอะไรได้หมดอยากได้หมดทุกอย่างอย่างเราเดินเข้าไปในป่าความอยากมันเกิดมีขึ้นพวกชอบทํานาไปเห็นดินร่ราดมีน้ําชุ่มชื้นคิดคิดถึงอยากจะทํานา พวกค่าเลี้ยงโคเลี้ยงโ ค, โคโนมเลี้ยงกระบือเห็นเท่นเช่นนั้นเขาอยากแก่ทาสนามยากเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือไว้ขายคนที่ชอบทําสวนอยากจะปลูกต้นไม้ยืนต้นทําสวนอันนี้เรียกพวกเข้าป่าอย่างน้อยที่สุดแม่ครัวเข้าป่าเห็นยอดไม้อ่อนๆคิดถึกหัก อยากจะได้เก็บโอ๊กผักมาจีดน้ำพริกเห็นหน่อไมย้ยอดผักคิดถึกจะเอามาแกงมาต้มบางคนบางทีเห็นแล้วก็น้ำลายพลุออกมามันอยากอันนี้เรียกว่าความอยากมันเกิดมันมีคืนในใจไม่มีความสงบ ไม่มีพัวนาสมาธิซะเลยการเป็นอย่างนั้นเพลินสนุกเข้าป่าเลยหรือมืดหรืมคำ่ำนี่เราเรียกว่ากิเลสมันหมกมักหมมอยู่ในสันดาหนี่ว่าขมโลกว่าจะพาะคมโกรธข่านี่เขาว่าให้เจ็บช้ำน้ำใจใครไม่โกรธก็หาวคนโง่ถ้าโกรธต่อแล้วแม่ด้วย อ่าแสดงข้าทีปฏิกิริยาตึงขังเห็นไ่าคนจะเอาชนะคนอื่นจนได้านนั้นคนมีจิตมีใจถ้าหากใครไม่โกรธ ถ, ถือว่าเป็นคนไม่ดีไม่รู้จักโกรธ็โดยกากรอบก็เลยบางทีเพื่อนอยู่ใกล้ๆสะกิดให้โกรธไม่โกรธไม่ดี ใ น, น, นทางธรรมราก็ได้เจ้าทั้งสองโกรธนั้นคือไฟมันไหม้คือมาในหัวใจพพวกมาเปียกเหมือ น, นกันกับไฟปากเหมือนกับไฟไม่ตั้งอื่นไกลล่ะไฟนั่นนะ่ะเหมือนกับหัวไม่ขีดไฟละไปเวลาเราชักไม่หัวไม่ขีดแ่ว่าชักอันหนึ่งนิดเดียวน่ะ เอามาขีดคือกระทบกับหน้ามันอกระทบปักเขาท่านั้นแะติดเขาจ่าเลยมันติดนิดเดียวเท่านั้นแะเขาจ่าแล้วก็สว่างออกมากระติดก้านมันไม่ก้านก็ไม่กันากเราไม่ทิ้งก็ไม่ถิงมือให้ไว้ตรงเสีกองที่ยาที่เหงื่ออย่างเยอะเชื่อป่อย่างต่างกับลูกผู้มา ใหม่บ้านใหม่เรือนไม่กีดการเดียวตลอดทั้งใหม่บ้านใหม่เมืองเมืองควโกรธจะฉันหน้าเหมือนกันกระทบปั๊บหนิดเดียวฉุนปั๊บขึ้นมาเลยเพราะฉุนก็เกิดความโกรธจึงเรียกว่าฉุดคิดจะแก้แค้นแก้ไม่ได้ทันทีทันควรก่อนเกิดอาฆาตพยายบาทจองห่างจองส่ะ โลกทั้งหลายที่เกิดสงครามแลทุกวันเดี๋ยวนี้ก็เพราะเรื่องนี้โลกจะชิปหายตายจะเป็นหมื่นๆแสนเป็นล้านๆก็เพราะเรื่องของโกรธคือไม่ยอมละมาณ์ทิฏฐิมันเป็นอย่างนี้คำว่าไฟคือความโกรธความโกรธนี่เป็นเครื่องเศร้าหมองทิตใจไม่ท่องใสเพราะโกรธขึ้นมาทีแรกสแสดงปฏิกิริยาท่าทีเลือด เขาเรียกว่าเลือดมันเดินเร็วพุ่งออกมาสแสดงความถึงขังตึงตังคนไม่มีกําลังเรียลแรงก็สแสดงเรื่องของมีกําลังเรียลแรงคือเนื่องจากเลือดฉีดพอหมดจากนั้นอ่อนพักลงไปเลยหมดกําลังเรียลแรงคนที่โกรธมากก็ลองคิดดูสิเห็นได้ไง่ายๆ่ายพอหายจากโกรธ น, นอนปุ๊บเลย เนี่ยมันเหนื่อยมันเผาถ้าจะว่าหมาเปลี่ยนก็นของถายนอกฟไฟไมมป่าพอหมดเชื่อเท่านั้นแหละดับลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรนะหมดไปไม่สัมหัสกันอยังเหลือได้เท่าคนเราก็ยังเหลือได้ความอ่อนเพลียพอหมดจะของโกรธยังเหลือได้ความอ่อนเพีย นี่แหละจังว่าถือกิเลสคือความโกรธเป็นของดีผู้ได้เจ้าเห็นว่าเป็นโทษแต่เราถือเป็นของดีเมื่อตรงข้ามอย่างนี้จึงยากนั่งยากหนาซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าทำคำสอนผูพได้เจ้าเป็นของดีหรือว่าผู้ได้เจ้าเป็นผู้ดีวิเศษยาพควมหลงหละคฐาง ถ้าความหลงมัวเมาติดพันในสิ่งใดสิ่งนั้นเข้าใจเป็น้องดีถ้าหากว่าเพิกเฉยไม่มัวเมาติดพันเขาเข้าใจว่าจิตคนใจจืดใจจางชักตัวอย่างอย่างง่ายๆความรักเพราะมัวเมาเกิดขึ้นจาก ควารักถ้าหากว่าไม่มีความรักเกิดขึ้นมาความมองๆบางก็ลมในตัวรักอะไรก็เอาเถอะรูปเสียงก ล, ป ล, ปลิ่นรสโปรดปัจจัยจะเป็นวัตถุหรืออะไรก็ตามแล้วรักสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยสมมุติว่าเรามีเครื่องใช้สักอย่างแต่เป็นรถเป็นลาต่างเป็นบ้านเป็ น, นช่องเป็นเรือนเนชามอะไรก็ตาม รักแล้วก็ติดพันในเรื่องนั้นมัดในในเรื่องนั้นหรือว่ารักลูกรักหลานรักลูกเมียก็เอาหรือรักผัวกระช่้นถ้าไม่มีความรักแค่แค่คนใจจืดแต่ความรักอ่ะน่าเป็นเครื่องผูกมัดทําให้ความรักแต่ความรักผูกมัดนั่นแหะทําให้ก็ขึ้นชั่วเร็วใส ห้าตัดกานชีวิตตระสึนคิดเรืงการต่างๆเกิดจากความรักย้อจสละความสุขของตนหรือความดีของตนแลกเอาความรักคนที่อาสาสมัครไปสึกสงครามเพราะอาชีพไม่ดีไม่มีเงินมีทองจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมีย คนนักษาคา่าคนอื่นเห็นแก่เงินแก่กทองก็อเอามาเลี้ยงฝั่งเลี้ยงทองและพระเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพระความรักยอมจะละความดีอยู่ดีๆไม่ยอมคือว่เกิดจากความรักจึงค่อยยอมทําครบชั่วอันนี่เกิดจากความรักคนไหนถ้าหากระกผา จ, จากการกู้รัก ร่วมตายหายสูญแล้วได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นพกเป็นโสเขาถือว่าไม่อะไรอาวุธเขถือว่าไม่รักไม่ไขกันในทางพุทธศาสนาท่านว่าเห็นตามเป็นจริงแลรร้วทอดทุระปล่อยวางไใ น, นจิเป็นจุกแต่ในโลกอันนี้ถือว่าถ้าห่างทอธุระปล่อยวางเขาไม่นิยมว่าเป็นความดีอันความนิยมอันนี้แต่มันปิด ทำคำสอนพระเจจาวไว้ไม่เห็นต่างเป็นจิตก็อย่างบางลทัทธินิยมถือกันพ่อแม่คนรักนับถือหรือปู่ย่าตายทวดที่นอกญาติวงที่เรานับถือเขาเรานับถือบญชาเวลาตายจะต้องพากันร้องไห้ร้องหง่มไม่ให้ก็แสดงให้ร้องไห้ เป็อย่างพวกจีนจีนเนี่ยทำเยา่มของเขาบางทีทั้งจ้างกับร้องไห้คนเดียวไห้ไม่สนุกต้องหาหมู่เพื่อน ม, อมาก่ที่เป็นญาติพี่น้องร่วมรวมไห้เป็นหมู่เป็นหมู่ไปร้องไห้เป็นหมู่เป็นหมู่ไปนี่แสดงว่าถึงเรื่องควมเมานีิยมนักถือควมเมาเอาความเมาเนั้นเป็นของดี หรืไม่เช่นนั้นจะพูดกันง่ายๆคนเราไม่ดื่มไม่เมาก็เลยยกโทษดูถูกกันสมัยก่อนเขารู้ถูกก่อนเป็นผู้หญิงนี่ไม่รู้จักเมาไม่เจ๊ะดื่มเหมือนเขามาในนี้ผู้หญิงดื่มเบงเก่งกว่าผู้ชายเขาไม่าวาดนั่นแหละคนไม่ดื่มเขาไม่ว่าดผู้หญิงเสร็จและเพราผู้หญิงดื่มมากกว่าผู้ชายก็มีแยอะอันนี้แสดงว่านิยมขเมเมา นับถือขมมอเป็นเครื่องบูชาที่แสดงวันนี้ทั้งสามขอ้อคือว่าความโลภความโกโรธความหลงสามอย่างนี้เป็นตัวกิเลสนิยมนับถือกิเลสว่าเป็นของดีแต่พระเจ้าสะละเรื่องาเท่านี้ได้ท่านจะเป็นคุณเป็นผู้บริสุทธ ถ้าหากเรายังนิยมนับถือของเหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์ดีโยตรากดไม่เห็นชัดตามเป็นจริงตามธรรมคำสอนของแก้วล้วก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสทั้งหลายเหล่า น, นี้ได้ถ้าคนใดมาละกิเลสเหล่านี้นได้ให้เบาบางลงไปละใม่หมดก็ดีจะเห็นคุณประโยชน์เกิดขึ้นในตัวของตวนว่าโอ้ธรรมะของสอนผูกของจริงเสียวดังขมโลภ เกิดขึ้นมาเรารู้จักละรู้จักพอดีพอประมาณความอยากได้ทะเยอทยานยังให้เขาผ่านจิตใจทั้งตนยังให้มันปกปิดจิตใจทั้งตนถึงเรียกว่าละไม่หมดก็ยังเหลือไว้แต่เท่าที่เราละได้เราไม่ทะเยอทยานที่เราเดคดของเกินขอบเขตจะเห็นความสุขเกิดมีขึ้นในตรงนี้ตดหากว่าคุณพระเจ้าของเราทันละได้จริง ถ้าในผู้บริสุทธิ์หมดจในสมัยข้างพฤดิการเขาก็เคยเยกโทษพระเจ้าแล้วพระเจ้าเป็นคนด้านจิตใจด้านคือไม่รู้จักอยากได้เรียกว่าคนด้านนี่ใค่ในสมัยนี้ยกโทษพระเจ้าไม่รู้จักรักจกโกรธเรียกว่าคนด้านคนนักคนโกรธ ดังอธิบายมานั่นเป็นเหตุให้ใจเศ้าหมองเป็นเหตุให้เดือดร้อนถ้าหมดละหมดรักหมดโกรธหมดโลภหมดหลงปรองอ น, นิจังทุกขงังนาตาเห็นต า, าวาตามเป็นจริงจิตใจจะค่อยผ่องใสเบกิกบางหายที่จากความทุกข์เดือดร้อนดวยประการต่างๆอันนี้ถ้าหากว่าเรามารักสมโกรธ เอาสมมุติเรามาอยู่วัดอย่างเงี้วันนี้ไม่มีเรื่องอะไรเจ็บกระทบกระทืบไม่มีใครแจมมาต่อว่าต่อรอดต่อเถียงไม่มาเหยียดหยามดูถูกทําให้เจ็บข้าวน้ำใจตลอดวันค่ําตลอดคืนรุ่งเรามาสาวโบสดน้าจะไม่มีความโกรธเบือเพราะอะไรพูดมาอะไรมาเลยจะอิ่มนุยด้วยปีติในการที่เรามีคุณงามความดีเป็นเพื้นอยู่ด้วยสิ้นห้าสินแปด ก็ต้องโกรธนั่นเอนี่เราก็จะเห็นคุณแล้วหากว่าเรากลับจากวัดนี้เข้าไปบ่าหรือว่าอยู่ในวัดนในกระชังมีคนใดมาพูดกระทบกระทืบให้เดือดร้อนให้เราเกิดเกิดกงโกรธขึ้นมาเราจะเห็นโทษทันทีกงโกรธเป็นของเป็นของทุกข์ทำให้เดือดร้อนไม่ได้ความสงบทุกข์สบายมันนี้ด้วย่าง จะเห็นได้ง่ายกว่าความโกโรธของเราหายไปเราจะได้รับความสุขเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้เราจะมองเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปถึงคุณประพุทธเจ้าท่าน ม, มีโกโรธเอาจริงๆองจั ง, จ ง, จงละใครจะกระทบก็ไม่มีโกโรธเสชลยจะเยือเกเย็นทั้งขนาดไหนจิตใจของพระองค์ที่จะล่าความโกโรธได้เช่นนั้นไม่ใช่ของ ง, งา่ายๆจะต้องประกอบด้วยปัญญา มีวิชารอบโลกด้วเห็นตัดจะตามเป็นจริงเช่นว่าเขาโกรธเป็นเรื่องกิเลสของเขาเรามีดีดอยู่เราไม่โกรธเราไม่มีโทษมีภัยเขาโกรธจะเป็นเรื่องของเขาไม่เป็นเรื่องของเขาเขาโกรธไม่ใช่เรื่องของเราเขาว่าเราไม่ดีเราดีอยู่ต่อพระพุทธองค์มีปัญญาฉลาดเขียบแหลมรักษาตนได้ไม่มีความชั่วเขาโกรธก็เป็นเรื่องของ เรามาพิจารณาอย่างนี้จะมองเห็นปัญญาขององค์อย่างลึกซึ้งโอ้ปัญญาสามารถระงับดักความโกรธเสียได้<ม>เห็นความบริสุทธิ์ของพระองค์ชัดเจนทีเดียวพระ อ, องค์บริสุทธิ์อย่างนี้เองจึงไม่โกรธพระ อ, องค์มีปัญญาอย่างนี้เองจึงไม่โกรธ พระองคมีปัญญาอย่างนี้เองความจริงพระพุทองค์มีมเห็นความจริงอย่างนี้เองจึงสงสารคนที่โกรธนี่สรุปรวมจะกวมเรียกว่าเราไปพิจารณาถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นความบริสุทธิ์คุณของพระองค์แล้วจะเห็นพระเมธทัรกระนาคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ในที่เดียวเลยอันนี้พระคุณโดยนยนย่อ เรียกว่าวิสุดแปลว่าปัญญาคุณและวิสุดที่คุณและพระกรุณาคุณพระคุณทั้งหลายแหล่ที่อธิบายมาถึงเก้ามีอรหังสมมาสมุโทโธเป็นต้นจะมาสรุปรวมรวบรวมลงในสามระคุณนี้คือส่วนข้าพระองค์สองได้แก่ปัญญาฉลาดเฉแี่ยสามารถเห็นชัดตามเป็นจริงนเรื่องกิเลสทั้งหลายหมดแล้วจะ กาจัดกิเลสน้อยใหญ่ซึ่งมีอยู่ในขันธรร์ตางของผมให้หมดสิ้นไปมีเรียกว่าปัญญาคุณกับวิสุทธิคุณเป็นของส่วนของพระอกธรรมะเป็นธรรมดาคุณงามความดีเป็นของธรรมดาเมื่อมีแล้วก็อดเกลดแผ่อคนอื่นไม่ได้อย่างเราทำบนสื้นทานแล้วเกิดสัทจาเรื่องใสในพุทธศาสนาแล้วก็อดจะบอกคนอื่นไม่ได้ รียกว่าเป็นของไม่มีห้องแหนเขาพระพุทธองค์ก็เช่นนั้นเหมือนกันเมื่อมีความบริสุทธิ์มีปัญญาฉลาดจนกระทั่งทำพระพุทธองค์ให้ทำพระกัณดาพระงค์ให้สวสุดแล้วพระองค์ก็ต้องมีกรุณาสงสารสัตว์ที่ยังตกอยู่ในห่วงของของกิเลสบาปประทำเป็นธรรมดาเรียกว่ากรุณาคุณกรุณาคุณนี่เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องคนอื่น จึงรวมควงเรียกว่าสามขุณน่ะสามประคุณนั่นมันรวมเป็นส่วนของของพระองค์สองส่วนต้นคือปัญญาคุณบริสุธิคุณแล้วกับส่วนที่สามนั้นเป็นของเจือมาจานมาแก่พวกเราคือกรุณาคุณถ้าคุณทั้งหลายเหล่านี้่ะถ้าหากเราไม่ตั้งใจกำหนดคิดพิดจารณากันจริงๆอยจางจะไม่ทราบซึ้งถึงใจงเราเลย ถ้าหาขั้วพิจารณากันจริงๆอย่างแล้วแล้วกราบถึงพระโพธิเจ้าพระคุณของพระโพธเจ้าครั้งแรกจะเห็นพระปัญญาคุณแล้วควิสุทธิคุณแล้วก็จะไม่เห็นพระกรุณาคุณของพระองค์เมื่อกราบครั้งที่สองน่ะถ้าทำครั้งสองพระองค์น่ะที่สอนให้เราละชั่วทำดีด้วยพระกรุณาคุณทั้งหลายจะมาปรากฏชัด ในขณะที่เรากราบเห็นชัดยห็นจริงคือในขณะที่เรากราบจิตใจจะเกิดทราบซึ้งปราบพื้มพีติยินดีที่โบกีมใจในขณะที่เรากราบพระธรรมจะมาปรากฏในที่นั่นเลยแล้วก็จะกราบขั้งที่สามจะระลึกถึงพระอริยสงสารที่ท่านดำลงความไริสุทธิ์หมดจดหรือที่ท่านนำาศาสนามานั้น จะมีความบริสุทธิ์ในใจของท่านอย่างพระเดชจับจึงค่อยมีพระกรุณาคุณคือว่านำศาสตรสนามาเผยแทร่แก่พวกเราและความบริสุทธิ์ของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนั้นลําเนินตามรอยขอ้พระเดชจักรเพื่อทำนั่นแหละเป็นหนทางให้พระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ แค่คุณคือว่าปัญญาคุณอย่างพระพุทธเจ้าก็มีในพระอริยสงฆ์พระวิสุทธิ์ที่คุณก็มีในพระอริยสงฆ์พระกรุณาคุณก็มีในพระอริยสงฆ์ตกลงว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คล้ายๆกันอันนี้พระธรรมเป็นเครื่องนําให้บริสุทธิ์มีอยู่ในพระสงฆ์และมีอยู่ในพุทธองค์ธรรมะจึงได้ชื่อว่าเป็นของสูง จัดทำโอพระฤกษ์ตับโหขพระธรรมเป็นเหมือนกันพระพุทธเจ้ากับคารพพัะธรรมคือพระธรรมเป็นเครื่องนําให้บริสุทธิ์ได้พระธรรมพระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั่นแหละนํามาสอนพวกเราเรียกว่าธรรมะเป็นนิยานิกรทธรรมนี่พูดบรรยายถึงคุณพระพุทธเจ้ากัน เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องประธรรมและประอริยศพเป็นของดีมีค่าหากเรานึกน้อมอยู่ในใจพิจารณาเห็นแท้ตามเป็นจริงในใจในใจขุงตนแล้วจะเป็นผลให้เราละอายใจในการที่เราละในทาความชั่วมัวเมาระมากและสามารถที่จะดํารงคุณงามความดีตลอดชีวิตชีวาเป็นคุณค่ายิ่งใหญ่ไม่สารถโดยหาประมาณไม่ได้ เพราะฉะนั้นพุธทธศาสนาจะีกระโดทุกคนจงภาคานึกน้อมเอาพระคุณนี้มาพิจารณาให้เกิดความสว่างแจ่งจ้าขึ้นในใจของตนและตั้งใจรพุทธปฏิบัติทึกผนไปตามนัยยะที่แสดงมาก็าจะเป็นผลเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในสารให้เกิดความสุขตำลานตลอดกาลเลือดเรการือนี้